ตรงไหนที่เช่นแสงปิดกัน้นไหวก็ปิดเหมือนน้ำเขือนน้ำฝายถน้นทางอีวิถของเราเนี่ไม่ต้องลงทุนอีกแล้วมีทุนเพิมแล้วทรงไหนที่มันเป็นพิษเป็นภยัพยพยอไปตรงไหนที่มันเกิดประโยชน์กักเอาไว้ขังไว้เก็บไว้เหมือนน้ำในสระวัดป่าสุกโต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 มองให้มันเห็นแจ้งความส้อมมองเววเป็นบาปบ่อยจากจาระคาปล่อยออกไปแล้าจากจ า, าระคสละอารมณ์เล่าออกจากจิตใจตัวเองให้ได้อย่าหมักห ม, มมเจ็บอาไว้หัดจากนี้หัดตั้งแต่เบื้องต้นถ้าเบิง่งต้นไปหัดมันก็ไม่เป็นสติถ้าหัดเป็นแล้วมันก็ไม่ยากไม่ต้องหัดอีก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 ถ้าครชวนไปจินเร่ไปเที่ยวคนพานแล้วพวกค น, านพาลพาไปหาโทษหาภัยเขาบัณฑิตพาไปหาผลกลับบ้านกลับช่องอย่าทิ้งบ้านทิ้งเดือนอย่าทิ้งครอบทั้งครัวอันนี้ครา บ, บัณฑิตภายนอกแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลามคนพานบัณฑิตภายนอกแล้วก็มีบุคคลโตตน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 สร้างกุศลท่องบนคิดดีพูดดีทำดีหัดพบบันดิตบูชาบุคคลคนบูชาวิรารมดาครูอาจารย์วิรารมดาไ้ข้างหน้าไปไหนอย่าเอาพ่อแม่ไ้หลังเอาไว้ข้างหน้าไม่ถือไว้ให้มันเคยชินเหมือนสมัยก่อนคนโบราณเขาถือโทรนีท่อแม่โทรนีเป็นดิน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 มันอยู่กับเราการกระทํากับเราโมชาความดีเวลาใดชิดดีโอ้ยสัมปัตแล้วเย็นใจเวลาใดชิดชั่วเล่าล้นขอลบวิดามันดาตุคุคุณโมชาตุคุณไม่ควณโมชาหลุดเว้นบาปอกุศลอรตีเวตีปาปาเว้นบาปคำอกุศล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 ถ้าเปหัดมันไม่เป็นบางทีมันง่ายที่จะหลงความรู้ก็ยากบางทีทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายเพราะไม่หัดถ้าเราฝึกหัดแล้วมันทำได้มันก็อยู่กับเรานี้เราอย่างไรความรู้สึกกรลึกได้เหมือนกับน้ำที่ระย์ดระยวดอย่าเพิ่งไปหาผลประโยชน์จาก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 อาตายต า, ยตายอย่าพูดคำนี้ลบทิ้งไปเมื่อเราทำอะไรที่มันมีความเดือดร้อนหนักหนาสะโหดทุกต์เดืร้อนในท่เสิอไม่เป็นไรแต่ว่าปล่อยออกไปมันมันน้ำเน่า ว, ว่าน้ำสุกโตนี่น้ำไหลมาจากสวนจากไร่ชาวบ้านมันอาบไม่ได้มันคันมันมีสารพิษปล่อยออกไปถ้าเจ็บขวางไว้ไม่ไม่โทษ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 อดความรู้สึกตัวเที่ยวาสร้างไม่เป็นมันก็ไม่ชัดเจนเราต้องสร้างเป็นคัง่งเป็นคั่งไปเช่นเป็นคัง่งเป็นคั่งไปเช่นเอามือวังว่าวนเขาก็หนดข้างขวารู้สึกรู้สึกรู้สึกหยุดไว้ก่อนรู้สึกรู้สึกรู้สึกหยุดไว้สักหน่อยก่อนรู้สึก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 ถ้าท่าเป็นรู้ตอนนี้เพเก้าของปีใหม่ได้10กว่าชั่วโมงถ้ามันใหม่กว่าเก่าปฏิทานไว้ในใจอยู่เสมอเราที่เป็นความชั่วจะให้มันตามมาเปลี่ยนละสร้างความดีให้มากๆรียว่าภาวนาความดีเนี่ยภาวนาคือขยันรู้เป็นบิดาแห่งความดี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 ถ้าเราจะเป็นหนึ่งทุ่มของเขาจะเป็นหนึ่งโมงเช้าตรงกรันข้ามเพราะนั้นนี่ยเป็นสมมุติปัญญท์ของโลกสากลถ้าจะเป็นของเราจริงอยู่กับเราอันใหม่เสมอถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ก็เวลาเกินใจนเราไปถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็เกินเจนเวลาไปได้ประโยชน์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 เอาชีวิตคืนว่าได้เป็นชีวิตจริงๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่คมล้ายคมดีนี่มันได้ชีวิตถ้าหลงก็ไม่ได้ชีวิตแล้วถ้าโกรธก็ไม่ได้ชีวิตแล้วถ้าทุกข์ก็ไม่ได้ชีวิตแล้วเป็นของคนอื่นปลายยีตของเราจริงไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรปกติไม่ยินดีไม่ยินร้ายบริสุทธิ์ก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรเลย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 หมดเจภาพแล้วต่มไายรอยตายไปตวหนังแม่เหล็งกินหัวก็หนวกว่อยากพูดอะไรครับกายพล่วันนี้ก็สมควรเจ้าร้อนเนะให้พรอปีปใหม่ละสังทัดีเก่าโ <c oughs> งไม่ควาสจข ก, กายจขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวงอยายุอันาาอาอนานสะุ ก, กาะพลัประกอบจิตการนานชอบ้วยจิตนั้นตามไม่สำเลจตามกประโฉ์